ทางไม่ขวนขวายใช้ให้บวชให้นะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุณีทุละนันทาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีทุละนันทาชักชวนสิกขมานาว่าแม่คุณ